โยมมาจากไหนกันไม่เคยเห็นฮรลบอเคยฝึกกันมาแบบไหนเคยฝึกับท่านอาจารย์อาจารย์ท่านวชไหท่านแนวไหนหลวงพ่อไม่รู้จักท่านเหอใช้อารมณ์อะไรอ๋อฟังยุเอองยกบไดีนะฝึกแกรรมฐานอะไรก็ได้ให้เน้นเรื่องการมีสติก็แล้วกัน การมีสติถ้ามีสติรู้รูปนามก็ใช้ได้ละแต่ถ้าไปมีสติรู้อันอ่น ไ, ไม่ได้นะมันนอกเหนือจากรูปนามรูปนามก็ควรจะเป็นรูปนามของตัวเองเรารู้รูปนามกายใจของตัวเองนี่อย่าทำกรรมฐานในที่เกินกายเกินใจตัวเองออกไปทำไมต้องมาคอยรู้กายรู้ใจตัวเองทราบไหมจริงๆนะในโลกนี้ในจักรวาล น, นี้นะ มันมีแต่รูปธรรมกับ น, นามธรรมา ท, ทุกอย่างมันเสมอภาคกันหมดความไม่รู้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไปแบ่งแยกเรารูปนามบางส่วนมาเป็นตัวเราเราไปสําคัญมั่นห ม, มายออกมานี่รูปนามนี้มาเป็นตัวเราเราไปแบ่งแยกตัวเองออกจากโลกกธาตุข้างนอกจากธรรมชาติภายนอกพระพุทธเจ้าเลยสอนเราให้หันมาดูตัวเองดูกายดูใจตัวเองท่านบอกว่ากายกับใจนี่ตัวทุกข์ทุกข์ให้รู้ ให้รู้กายรู้ใจคือเรารู้นะรู้กายรู้ใจเมื่อวันหนึ่งเห็นความจริงเราดูกายดูใจนะเพื่อเห็นวันหนึ่งกายใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายใจนี้กับโลกภายนอกนี่เสมอภาคกันเป็นอันเดียวกันถ้าเห็นอย่างนี้เราก็เราจะสลัดคืนความยึดถือกายสลัดคืนความยึดถือใจให้กับโลกเข้าไปความพ้นทุกข์อยู่ตรงที่พ้นขันตรงนี้เอง ใจไม่ไปยึดถือเอาขันส่วนหนึ่งมาเป็นตัวเราลักสลัดคืนโลกไปความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้แม้การปฏิบัติเนี่ยจะนอกเหนือจากการรู้กายรู้ใจไม่ได้นี่การปฏิบัติก็มีสองส่วนบางคนรู้กายบางคนรู้ใจทําไมมันต้องมีสองนันนี่พวกเราบางทีเราเข้าไปเลือกเปียนกรรมฐานเนี่ยเพราะเรานับถืออาจารย์ เราดูว่าอาจารย์ท่านนี้เรานับถือนะท่านสอนให้ดูกายเราก็ไปดูกายตามท่านท่านสอนให้ดูจิตแล้วก็ไปดูจิตตามท่านคล้ายๆเราไปได้กางเกงได้เสื้อมาตัวหนึง่งถ้ามันใหญ่ไปเราก็ต้องมากินข้าวให้เยอะๆให้อ้วนตามเสื้อนะหรือเสื้อมันคับไปก็อดข้าวให้มันผอมตามเสื้อซึ่งมันไม่ได้ผลหรอกไม่ได้ผลหรอกกรรมฐานต้องทาตามจริตตนเองไม่ใช่ตามอาจารยนะ์ตัวนี้ตั้งหลักให้ดี หลวงพ่อสรุปนะที่พูดมาอันแรกเลยก็คือหน้าที่ของเราต้องรู้ทุกสิ่งที่เรียกว่าทุกก็คือรูปนามกายใจนี่เองเรารู้รูปนามกายใจเพื่อวันหนึ่งเรารู้ความจริงรูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นอันเดียวกับโลกข้างนอกนั่นเองเราหมดความยึดถือสลัดคืนรูปนามไปความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้มากผลนิพพานจะเกิดขึ้นก็เกิดตรงนี้นะตรงที่จิตเห็นแจ้งอริยสัจ รูปนามนี้เป็นทุกข์ผิดปล่อยวางความยึดถือรูปนามความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้นี่มันมีรูปมีนามมีสองอย่างนะรูปประธรรมนามธทมเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องดูตัวเองไม่ใช่ดูอาจารย์แล้วก็ไม่ใช่แห่ตามเพื่อนเพื่อนเข้าวัด น, นี้เราก็จะเข้าบ้างอย่างนั้นไม่ฉลาดหรอกเราต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าเรามีจริตยังไงแล้วเราก็เลือกกรรมฐานให้ตรงกับจริตของเรา ถ้าเราเลือกกรรมฐานไม่ตรงจริตนะทำไงก็ไม่ได้เราไม่ได้ผลนะถึงอาจารย์จะเก่งนะอาจารย์ทําได้แล้วอาจจะไม่ได้อย่างอาจารย์ก็ได้เพราะจริตไม่ตรงกันสมัยพุทธกาลเนี่ยคนที่รู้จริตแน่นอนนะคือพระพุทธเจ้าขนาดพระสารีบุตรเนะี่ยท่านยังไม่แน่เลยท่านรู้จริตแต่บางทีท่านหาอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับจริตให้ลูกศิษย์ไม่ได้นะเคยมีมีพระองค์หนึ่งเป็นช่างทอง เนียงหนุ่มด้วยพระสาริบุตรก็วิเคราะห์เลยว่าท่านน่าจะเป็นราคาจริตราคาจริตจให้ท่านไปพิจารณาสุภาษจิตท่านไม่ลงพระพุทธเจ้ากลับไปให้ดูดอกบัวที่สวยๆแล้วต่อมาได้เห็นดอกบัวนี้เหี่ยวไปจิตท่านรวมลงมาได้นี่สมถะนะไม่แค่เรื่องอารมณ์สมถะบางทียังเลือกไม่ได้เลยอารมณ์ของวิปัสสนาก็ดูจริตเหมือนกันอารมณ์ของสมถะนี้มีหกจริต เรต้องวิเคราะห์เองแล้วมีหกจริตจริตอะไรราคะจริตโทสะจริตโมหจริตนะวิตกจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตมีหอันหอันนี้เอาไปดูสําหรับทําสมถะไม่ใช่ทํำวิปัสสนานะพวกเราจะเป็นนึกหน้าดิฉันเป็นราคะจริตจะทําวิปัสสนาด้วยอารมณ์อะไรนี่เข้าใจผิดแล้วอารมณ์จริตของวิปัสสนามีสองจริตเรียกว่าตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตพูดภาษาไทย พวกโลภมากกับพวกคิดมากเราต้องวิเคราะห์ตัวเองเราเป็นพวกโลภมากพวกโลภมากเนี่ยพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะรักกระทั่งความสงบความประนีตอะพวกนี้พวกเนี้ท่านสอนกเหมาะที่จะรู้กายนี่พวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามควรจะรู้กายเพราะอะไร่พรกายนีย้ไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายกายนี้มีแต่ทุกข์กายนี้มีแต่ของไม่สวย มารู้กายมันจะดัดนิสัยนะที่โลกของเราอีกพวกหนึ่งพวกคิดมากพวกคิดมากเนี่ยไม่ควรจะดูกายพวกคิดมากดูกายแล้วจะรู้สึกคับแคบไปไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเท่าไหร่พวกนี้ท่านสอนว่าเหมาะที่จะดูจิตเพราะงั้นพวกคิดเฉลี่ยเฉลีพวกคิดมากพวกชอบออกความคิดชอบออกความเห็นพวกยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่พวกนี้พวกนี้ควรจะดูจิต นี่การจะดูกายหรือดูจิตก็มีเงื่อนไขการจะดูกายได้ดีจะต้องทำสมถะก่อนเพราะกายญานุปัสสนานะเหมาะกับสมถะญาณิกพวกเราถ้าเริ่มดูกายโดยไม่มีกำลังของสมถะมันจะรู้กายไม่ได้จริงหอกมันจะรู้รูปไม่ได้มันจะรู้ได้แต่อวัยวะรูปกับอวัยวะคนละกันนะอย่างนี้มือใช่ไหมเห็นว่ามือมือนี่ไม่ใช่รูปนะมือไม่ใช่รูปนะ ท้องที่พองท้องที่ยุบนี่ยังไม่ใช่รูปนะอย่างพวกเราฝึกดูท้องพองยุบอะไรเงี้ยท้องที่พองที่ยุบยังไม่ใช่ตัวรูปนั่นคืออวัยวะคือท้อง่นะยิ่งไปบรรยัญญติเติมลงไปนะพองนอยยุบหนออะไรใส่เข้าไปที่เติมบรรยัญญติลงไปด้วยตัวรูปที่แท้จริงคืออะไรตัวรูปที่แท้จริงคือวินยัตติรูปนะวิัติรูปรูปไบรนะรูปไหวเนี่ยไม่มีชื่อหรอก ใส่ชื่อเข้าไปเนี่ยสมมติบัญญัตนะิอย่างเนี้ยแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของรูปแล้วก็รู้สึกถึงความไหวของรูปนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกท้องพองท้องยุบรู้สึกนะเป็นการรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของรูปนะเห็นรูปที่เคลื่อนไหวแล้วก็ห ย, นะยุดนะรูปเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดเนี่ยนะจะยกเท้าย่างเท้านะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เท้าเคลื่อนไหวนะ เท้ากับรูปคนละอันเท้าเป็นบัญญัตริรูปที่เคลื่อนไหวเป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยพวกเราถ้าไม่เคยฝึกสมาธินจนฝิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นียเราจะแยกระหว่างรูปกับอวัยวะไม่ค่อยจะออกเสร็จแล้วพอเราลงมือปฏิบัติเราจะไปเพ่งอวัยวะเช่นเราเพ่งท้องเพ่งท้องจิตเราจะไหลรวมลงไปที่ท้องเพ่งทื่ อ, อไปเรื่อยๆหรือเวลาเดินจงกรมเราจะไปเพ่งเท้า มันจะไม่ได้เห็นรูปที่เคลื่อนไหวหรอะมันจะไปเพ่งเท้าเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมถะนะงั้นเดินไปเดินไปบางทีคนลุกหือ น, นั่งอยู่ดูขนลุกขนพองนะเหมือนอะไรม า, ตาไต่อะเงี้ยผงะวูบวาบเลยเนี่ ย, ะะายอาการของสมถะทั้งหมดเพราะว่าพวกเราไปเพ่งรูปไปเพ่งท้องนะเพ่งบัญญัติเพ่งอวยวะ ถ้ารู้รูปรู้รูปจริงๆจะเป็นอีกอย่างนึ่งจะมีใจคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่เฉะั้นการรู้กายก็ต้องแยกรูปนามนะจุดเริ่มต้นต้องแยกรูปแยกนามก่อนร่างกายที่นั่งอยู่นี้ร่างกายที่ยืนที่เดินที่นอนเนี่ยเป็นของที่จิตไปรู้เข้ารูปนั่งรูปยืนรูปเดินรูปนอนเป็งของที่จิตไปรู้เข้ารูปฟ้องรูปยุบเนี่ยจิตไปรู้เข้าจะต้องมีคนหนึ่งเป็นคนรู้นะไม่ใช่ไปเพ่งท้อง จะต้องเห็นว่าร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวไปมันจะมีความรู้สึกของผู้ปฏิบัติเนี่ยคล้ายๆดูคนอื่นเขาหายใจนะเหมือนเห็นรูปของคนอื่นดูตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราหายใจแล้วไม่ใช่ตัวเราท้องผองยุบแล้จะรู้สึกเหมือนเห็นคนอื่นเขาหายใจเห็นคนอื่นเขาพองยุบนะ ใ, นใจมันจะรู้สึกใจมันจะถอดถอนออกมาเป็นคนรู้คนดูถ้าทําตรงนี้ไม่ได้ปัญญามันจะไม่เกิด เพราะาเบื้องต้นเลยก่อนที่จะขึ้นมีปั ส, สนาได้จริงยานที่หนึ่งนามรูปปริเฉตยะแยกกายกับใจออกจากกันร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูเนี่ยนั่งเนี่ยมันตัวที่นั่งเนี่ยมันคือรูปใจที่รู้ว่ามันนั่งเนี่ยคือนามต้ค่อยๆหัดแยกไปนี่จะแยกได้ดีถ้าใจเรามีสมาธิเพียงพอนะถ้าสมาธิไม่พอแยกไม่ออกได้แต่เพ่งดูท้องก็เพ่งท้องดูเท้าก็เพ่งเท้าดูลมหายใจเพ่งลมหายใจมีแต่เพ่งเพ่งน้ําจัดติดอย่างเนี้ย ติดอย่างคุณคนนี้จทื่อๆไปใจอย่าทื่อๆกายทื่อๆใจทื่อๆบางคนบล็อกอยู่ออกไม่ได้นะคุณนี่ติดอยู่นานค่อยๆหลุดออกมาละนี่สําหรับพวกดูจิตดูจิตเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกพวกนี้ไม่ต้องไปทําฌานก่อนดูเข้าไปเลยนนี้บางคนกลับไปคิดอีกนะไปสอนกันนะเคยได้ยินไหม ดูจิตอย่างหลวงพ่อปราโมทไม่ได้หรอกต้องทําสมาธิก่อนถึงจะดูได้ไม่เก่งเกลียอาภิธรรมแล้วนะทําไมดูจิตนี่ให้ดูเลยไม่ให้ไปทําสมาธิก่อนรู้ไหมถ้าทําสมาธิก่อนมันจะไม่มีจิตบางประเภทให้ดูอย่างจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยเราทําสมาธินี่จิตฟุ้งซ่านจะไม่มีให้ดูะพระพุทธเจ้าบอกจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านน่าจะไม่มีฟุ้งซ่านให้ดูแล้วมันนิ่งๆไปหมด เพราะฉนั้นการดูจิตเนี่ยไม่ต้องไปทําชานก่อนนะดูเขาไปตรงๆจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะนะจิตมีโทสะหรือว่ามีโทสะจิตมีโมหะหลงไปรู้ว่าหลงไปอจิตฟุ้งซ่านจิตอดถูเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงรู้ซื่อๆรู้ตรงๆทุกคนรู้ได้อยู่แล้วเราชอบไปวัดภาพว่าการรู้นามธรรมายากนามธรรมาไม่มีอะไรปกปิดเลยหลวงพ่อเคยถามเด็กเล็กๆรู้จักโปรดไหมรู้จกัก นะ่ะรู้จักรักไหมรู้จักเกลียดไหมรู้จักกลัวไหมรู้จักทั้งหมดเลยนะเรารู้จักสภาวะของนามธรรม ท, ทั้งหมดอยู่แล้วเราแค่ละเลยที่จะรู้แต่เราไม่รู้รูปหรอกรูปเป็นของรู้ยากเพราะเราเห็นแต่อวัยวะนะสมมติบรรัญญัติเนี่ยปิดบังปรมามัตดหมดเลยงั้นจะรู้รูปได้ดีนะจิตต้องตั้งมั่นต้องทําสมาธินะจิตตั้งมั่นถึงจะเห็นรูปได้ดี เพราะกายานุปัสสนาเลยเหมาะกับสมถียานี้ทําชานก่อนแล้วดูง่ายถ้าไม่ทําชานก่อนจะได้แต่เพ่งรูปเพ่งเฉยๆเพ่งกายไม่ใช่เพ่งรูปเพ่งกายแต่ถ้าดูจิตนี่ดูเข้าไปเลยจิตใจรู้สึกยังไงในแต่ละวันแต่ละวันความรู้สึกไม่เคยเหมือนกันวันนี้สดชื่นวันนี้หดหูอะไรเงี้ยแต่ละวันไม่เหมือนกันดูเป็นวันๆอย่างเงี้ยดูได้แล้วต่อไปดูละเอียดเข้าไป แต่และเวลาไม่เหมือนกันตอนตื่นนอนกับตอนนี้ความรู้สึกเราก็ไม่เหมือนกันตอนนั่งรถมาวัดนี้กับตอนเดี๋ยวนี้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมต่อไปพอเราดูเป็นเวลาเวลาได้เราจะรู้เลยแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวันนี่นะความรู้สึกไม่เหมือนกันเช้าอย่างหนึ่งสายอย่างนะกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่าตอนดึกความรู้สึกไม่เหมือนกันเปลี่ยนเรื่อยๆดูอย่างนี้ก็ยังดีนะแต่ต่อไปละเอียดเข้าอีก เราจะเห็นว่าแต่ละขณะความรู้สึกไม่เหมือนกันจะเดิมบอกแต่ละวันไม่เหมือนกันออมาแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกันดูต่อไปละเอียดก็เป็นแต่ละขณะไม่เหมือนกันขณะที่ตาเรามองเห็นความรู้สึกก็เป็นอย่างหนึ่งขณะที่หูได้ยินเสียงความรู้สึกก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งได้แต่ละขณะจะไม่เหมือนกันนะถ้าดูลงมาแต่ละขณะแต่ละขณะอย่างเนี้ยะมันจะขึ้นมีปรัชนาได้จะเห็นในจิตดวงหนึ่งเผลอไปเช่นใจลอยไปแท้ไป เกิดจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าเมื่อเกียวเผลอไปละดวงที่เผลอไปก็ดับดวงที่รู้สึกตัวเกิดขึ้นแทนดวงที่รู้สึกตัวเนี่ยรู้ว่าเมื่อกี้เผลอเสร็จแล้วจะเกิดจิตอีกดวงหนึ่งมารู้ว่าจิตตะเกียร์รู้สึกตัวแล้วย่อมจะตามรู้ตลอดะนนั้การรู้จิตจะเป็นการตามรู้นะชื่อมันบอกเลยว่าจิตตานุปัสสนาว่าการตามรู้จิตอย่าไปดักไว้ก่อนนะพวกเรานักปฏิบัติชอบไปดักไว้ก่อนเช่นไปจ้อง นั่งรอดูว่าเมื่อไหร่กิเลสอะไรจะโผล่ไม่มีอะไรให้โผล่ให้ดูมีแต่นิ่งๆงั้นจำไว้นะเรารู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นใ่รักดูกายดูใจเพื่อให้เห็นว่ากายกับใจนี้เป็นใ่รักไม่ใช่ไปเพ่งให้มันนิ่งเพ่งให้นิ่งแล้วใจรักที่ไหนมันจะโผล่ให้ดูอย่าให้มันนิ่งนักนะค่อยๆคลายออกนะอย่าไปทำอย่างนั้นเลยเสียเวลามาจากไหนล่ะตรเนี้ มาจากลบบุรีหรือเปล่า <c oughs> ไม่ฝึกมาจากไหนทําไมไปเพ่งเอารู้สึกไหมใจตอนที่พยายามปฏิบัติเนี่ยใจมันทื่อๆนิ่งๆนะมันไม่เหมือนปกติหรอกนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเลยตายตรงนี้ก็คือแทนที่เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราไปบังคับกายบังคับใจให้มันนิ่งผิดความเป็นจริง หน้าที่ของเราทำวิปัจสนารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจให้นิ่งมันะไปทำให้นิ่งไม่ถูกนะคอยรู้สึกไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวขอตรวจการบ้านลูกสิดเก่าๆกา่อนนะ <c oughs> ของเฟก็เป็นยั้บ้านรู้สึกบ่อยรู้สึกตัวได้บ่อย คือร่างกายกระดุกกระดิกก็ค่อยรู้สึกะจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกแต่ว่าไม่ใช่เพ่งเอาไวา้เอาจากจักว่างไงจกักแล้วทําไมมันเกล็งล่ะือทาไมใจมันเกร็งอ๋อ คนล่าบุหรี่มาก็เริ่มเกรงเลเกรงรู้วหมเกรงนะจับจักใคยทำได้สบายๆที่เราเกรงขึ้นมาบงทีเพราะว่าเราอยากอยากให้มันดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้พอมีความอยากเกิดขึ้นก็พยายามจะทำเมื่อไหร่พยายามจะทำเมื่อนั้นผิดแล้วหน้าที่ของเราไม่ใช่พยายามทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหน้าที่ของเรา ร่างกายมันทําอะไรรู้จิตใจมันทําอะไรก็คอยรู้แค่นั้นพอลนะะงั้นไม่ต้องไปกังวลใจนะยายานั่นแหละนั่นแหละพยายามนะเอาโยนทิ้งไปคําว่าพยายามพยายามเป็นคําสุภาพนะคําที่ตรงไปตรงมาคือโลภะโลกนั่นแหละพอเกิดโลภะเกิดตัณหาขึ้นมาเสังเกตไม่พอเรานึกถึงการปฏิบัติเราอยากปฏิบัติปุ๊บเราเริ่มสัมรวมแนะ้วเริ่มทําถือแล้วก็คอยจ้องไว นี่คือการกระทําทั้งหมดเลยไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงใจของเราจะนิ่งนิ่งทื่อๆืแข็งแข็งขึ้นมาเลยตรงนี้พลาดแล้วล่ะทําให้เนินช้ามากเลยตรงนี้เมื่ปไตีกับใครมาละม่ะถึงล้าดีแล้วจกักจักใครรู้ไปนะล้าน้อยลงแล้วรู้สึกไหมค่อยค่อยฟืนละ เวลาจิตเสื่อมจักจําไว้นะเวลาจิตเสื่อมธรรมชาติของจิตต้องเสื่อมแต่เมื่อเวลาจิตเสื่อมแล้วอย่าตกใจยิ่งตกใจก็ยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งเสื่อมคล้ายๆเราตกไปในบ่อโคลนยิ่งดิ้นยิ่งจมะเงั้นเวลาจิตเสื่อมทําใจสบายๆดูเหมือนจิตคนอื่นเขาเสื่อมเหมือนดูจิตในป่องแกเสื่อมะแกเสื่อมก็ช่างแกไม่ใช่เรื่องของเรานะถ้าระวังใจได้อย่างนี้นะมันหายเสื่อมทันที จะติกนขึ้นมาใหม่แต่ถ้าพยายามทําให้ดีพยายามทําให้ถูกแล้วก็เสร็จเลยมีเด็กคนนึงภาวนาดีมากเลยชื่อเด็กหญิงชมพูไม่ใช่เด็กหญิงนะเพจะแต่งงานลนะมาที่วัดนี้หลวงพ่อก็ชมนะไปหาครูบาอาจารย์องค์อื่นท่านก็ชมสติดีรู้สึกตัวได้ดีเหมือนกับนักมวยเป็นแชมป์แล้วตอนนี้เกร็งพยายามจะต้องรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มนะ เข็มปีไปเลยคราวนี้นะจิตเสื่อมนะเพราะว่าโลภะมันเกิดอยากให้มันดีถาวร น, นั้นเราเรียนรู้กายเราเรียนรู้ใจไม่ใช่เพื่อให้มันสุขถาวรไม่ใช่เพื่อให้ดีถาวร น, นะแต่เพื่อให้เห็นความจริงว่ามันของไม่ถาวรตนนัางราะนั้นถ้าจิตมันเสื่อมลงมาเนี่ยยิ่งดิ้นดิ้นอยู่สองเดือนนะก็เสื่อมอยู่งั้นอ่ะวันนึงหมดแรงดิ้นแล้ท้อทใจแล้วช่างมันเถอะมันจะเสื่อมก็ช่างมันเถอะพอรู้สึกว่าช่างมันเถอะเริ่มดิ้ น, นใจก็ตื่นขึ้นมาเลย ง่ายนิดเดียวเช่นผมบงังภูเขาเท่านั้นเออย่าไปเพ่งไมนะทำตัวให้สบายสบายทให้สบายลืมเรื่องปฏิบัติซะลืมเรื่องการปฏิบัติไปเลยไม่ต้องคิดเรื่องปฏิบัติถ้าเราคิดว่าเราจะปฏิบัติเราจะลงมือทำแต่ถ้าเราไม่ต้องคิดเรื่องปฏิบัติเราแค่เราจะรู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นจะง่ายมากเลยฟังหลวงพ่อพูดแรกๆก็จะยากนิดนึ่งนะ หลวงพ่อไม่พูดเอาใจตลาดนะหลว ง, งพ่อพูดตามใจตัวเองฟังหลวงพ่อใหม่ๆจะยากยิ่งคนไหนเป็นด็อกเตอร์นะฟังหลวงพ่อจะงงเลยพวกนี้คิดมากนะที่จริงแล้วธรรมะง่ายๆง่ายกว่าที่นึกไปเยอะความเห็นผิดความหลงผิดของเรากิเลสสามตัวทําให้ของง่ายกลายเป็นของยากกิเลสสามตัวนี้เรียกว่าปัปปัญจะธรรม แต่ที่หนึ่งลบมากตันหาอยากเ้าปฏิบัติใช่ไหมถ้าอยากจะปฏิบัติก็ลงมือทําอะไรอุตรลุ่ยเลยมันก็เลยไม่ตื่นขึ้นมาหมดแต่ทำอยู่แทนที่จะรู้ก็มุ่งไปทําแทนที่สองมานะครูรู้แล้วกูเก่งแล้วเป็นชาล้นถ่วยนะฟังอะไรใหม่ไม่ได้หรอกได้แต่ของเก่ามานะอีกแบบหนึ่งดิชันโง่ค่ะดิชันโง่าถาวรยังไงก็เรียนไม่ได้นี่ก็มานะนะทําให้ท้อแท้ใจเรียนไม่ได้อีก พวกหนึ่งคิดิพวกคิดมากศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยเลยฟังหลวงพ่อนี้ว่าอย่างนี้ก็คิดถึงอาจารย์โน้นว่าอย่างนั้นเทียบไปเรื่อยๆไม่ลงมือรู้กายรู้ใจเพื่อจิตพวกทาให้เนื่นช้านะสามอย่างสองเป็นไงสองรูเรื่อยๆ แ, แล้วบังคับไหมตอนนี้บังคับไหม ตอนนี้รู้ตัวเต็มที่ยังปองเออยังมันมีอะไรอยู่ดูออกไหมมีประคองอยู่ยตอบถูกใจหลวงพ่อมากอย่างนี้ใช้ได้จิตมันแอบไปประคองจิตเอาไว้เอาก็รู้ทันมันนะ้วทำยังไงดีอะป๋องจิตมันประคองแล้วจะทำยังไงดี นะเหย็บเหย็บ ย, บ, ยบเอาแต่พริกตำลานะของดูให้ออกนะถ้าดูออกแล้วมันหลุดเลยนะถ้าดูไม่ออกของก็ประคองไว้พอรู้ว่าประคองอยากแก้นะอยากแก้ก็หาทางดิ้นอีกแนละ้นะหาทางดิ้นดิ้นยังไงก็ไม่ได้หรอกมันจะไม่เจริญปัญญาถ้าเฉยๆอยู่หลวงปู่มั่นสอนระวังอย่าให้จิตไปสิดเฉยะ อ่ะคุณมนล่ะคุณมนว่างไงของดีขึ้นแล้วนะของฮะของอยพยายามเยอะนะของทาเล่นๆทําเล่นๆได้ของจริงทําจริงได้ของเล่นแล้วทําจริงเอาแต่เพ่งเ <c oughs> ที่ยวเห็นโน้นเห็นนี่นะไรสาระ <c oughs> อ่ะคุณมลบ้างไงคุณมน <c oughs> โอดีต่บเป็นไตรลักษณ์อย่างนี้ถูก <c oughs> ยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> อย่า ก, กลัวหายนะ <c oughs> อย่า ก, กลัว เราจะเรียนจนเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เรียนเพื่อจะรักษามันไว้คุณมลดูออกไหมว่ามันทำงานของมันได้เองเดี๋ยวมันก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวมันไปทางหูเดี๋ยวมันไปทางใจดูออกใจบ่อยที่สุดใจเป็นทางหนีที่ว่องไวที่สุดคุ้นเคยที่สุดในหกทวารหลวงปู่ดูลสอนอย่าส่งกินออกนอกคือไม่หลงทั้งหกทวารหลวงพ่อเทียนเจาะเอาอันเดียว ท่านบอกว่าถ้าเมื่อไร่รู้ว่าจิตไปคิดเนะได้ต้นทางของการปฏิบัติเพราะฉะั้นในหกสวารคเนี่ยหนีไปคิดเนี่ยเยอะที่สุดเะนั้นถ้ารู้ทันว่าใจมันหนีไปคิดนะก็ตื่นขึ้นมาแล้วง่ายๆเอาคุณวุฒิล่ะเป็นไ ง, องเออประคองอีกคนแหละไปทําอะไรกันมาสองคนว่วงนอนเนื้อเลยประคองใหญ่ืออ <c oughs> <c oughs> อ, อ้าวเหรอพิ่งกลับมาโอ้หลายวันแล้วนะแล้วไปติดอันนี้มาเหรอออท่านพระโพธิสัตว์นะเออฮึอก็พระโพธิสัตว์ก็ต้อ้งอย่างนั้นแหละไม่ ง, งั้นจะหอบคิวคนไปได้ยังไงอค่คุณวิทย์คุณวิทย์ว่างไง ตื่นขึ้นเยอะแล้วรู้สึกไหมสิดมันค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้ ว, ลวก็ค่อยรู้มันไปนะคุณหลันไม่มาเลยพออยู่นี้ว่าไงแล้วอย่าอยากออกสินะรู้ทุกนะไม่ใช่ละทุก เมื่อใจเรารู้ทุกข์รู้ทุกขนะ์นี่แหละดีแล้วนะถ้าเราดูกายดูใจแล้ว เ, เห็นแต่สุขเนี่ยดูผิดละ่ะเพรากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เนะฉนั้นคุณหลันอย่าไปตกอกตกใจนะมันทุกข์ก็ช่างมันดูเหมือนดูคนอื่นทุกข์อะนะแล้วง่ายนั่งง่ายอ๋อลูกสาวนะจันจุนละ่ะจันจุนเป็นไง นลดีที่เห็นแต่มันอดไม่ได้อยู่กับโลกโลกมันไม่น่าทิศสมัยแต่มันจำเป็นต้องอยู่เมื่อมันจำเป็นต้องอยู่นะมันก็ไม่พอใจแต่ถึงอาจารย์จะบวชจะอยู่วัดนะอาจารย์ก็จะเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมอีกอ่นะนั้นอย่างใครจะมาถามอาตมาว่าผมซ้อมจะบวชหรื อ, อยังอาตมาอยากบวชไหม ถ้ายังรู้สึกว่าโลกนี้เร่าร้อนนะอยากจะวิ่งไปหาความสงบสุขแล้วก็เดี๋ยวก็ไปร้อนในวัดอีกนั้นถ้าอยู่ตรงไหนเราก็มีความสงบสุขได้ เ, เราพร้อมจะบวชละอาจารย์ยังไม่ต้องหนีคุณชาตพรไปบวชนะคอยดูไปคุณชาตพรเป็นไงเป็นปฏิปักษ์ไหมไม่เป็นเหรอจนจืนเป็นคนเดียวกรรมกรรมก็ให้ผล สิ่งที่พบที่เห็นนะเป็นวิบากนะปฏิเวทวมื่องี้ปฏิเว ท, เวทจะส่งกันบ้านไหมอ่ะได้คนสุดท้ายดีแล้วรู้ไปนลปฏิเวทดีแล้วละ่ะช่วงนี้จิตใจแล้วมีกำลังขึ้นใหม่อีกละมันเหนื่อยเหนื่อยไปช่วงหนึ่ง หรวนะันที่ท่านจะมา